ราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะได้มาพักบําเพ็ญธรรมที่หมู่บ้านปินทุรคามได้ช่วยโปรโดชาวบ้านให้พ้นจากมิจฉาทิฐิไปไดีมากในคืนวันหนึ่งขณะที่พระเรวตะนั่งธทำสมาธิได้เห็นนิมิตที่น่ากลัวซึ่งเป็นวิบากบาปเมื่อครั้งท่านเป็นโจรได้ปล้นฆ่าผู้บริสุทธิ์และเมื่อนิมิตนี้ผ่านไปแล้ว นิมิตใหม่ก็เข้ามาอีกคือเรื่องราวของลีลาวดีซึ่งฝังอยู่ในใจของพระเรวตัตยากที่จะลืมเลือนนิมิต ท, ทั้งสองนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งใหญ่ในการบาเพ็ญธรรมในขั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปพระเรวตตจึงได้ออกสแสวงหาที่หลีกเร้นในการบาเพ็ญให้ห่างไกลผู้คนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพระเรวตตก็ยังคงนึกว่ายัางไม่เก่งพอนะคะ ที่จะอยู่กับผู้คนอยู่กับคนมากมายเรื่องก็เยอะไปอยู่ห่างไกลก็จะทําให้จิตใจได้พักได้สงบเร็วยิ่งขึ้นก็เป็นวิธีหนึ่งในการปฏิบัติธรรมในบางครั้งบางช่วงเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะต่อจากนี้ไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณนะบัดนี้ค่ะ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 ก็ไม่ให้ข้าพเจ้าเข้าบ้านทุกคนเห็นข้าพเจ้าเป็นสนิทจันไลทุกคนที่พบข้าพเจ้าเขาก็ปิดหน้าปิดตาท่มน้ําลายแสดงความรังเกียจเหยียดหยามขอท่านไ ด, ด้โปรดเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าด้วยกล่าวจบเขาก็นั่งก้มหน้านิ่งอยู่อย่างน่าสงสารเกิดอะไรขึ้นเลือกอุมาศกข้าพเจ้าถามหลองเล่าเรื่องราวให้ตามาฟังซิ บางทีอาตมาอาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างเรื่องเดิมมีอยู่ดังนี้ท่านผู้เจริญนุ่มปารากะเริ่มเล่าเรื่องของตนเองเมื่อประมาณหนึ่งเดือนมานี้ข้าพเจ้ากับพราหมณ์หนุ่มอีกสิบคนได้เดินทางไปค้าขายทางแคว้นอวันตีในระหว่างเดินทางวันหนึ่งเราต้องเดินทางผ่านทุ่งนาอันกว้างขวางสุดสายตาไม่มีหมู่บ้านของคนไม่มีบ่อน้า ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแม้เราจะมีข้อสารอยู่ในถุงก็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีหม้อหุงต้มตกตอนเย็นเรามาถึงหมู่บ้านร้านแห่งหนึ่งที่ริมชายทุ่งเราได้ตกลงกันหยุดพักที่บ้านร้างแห่งนั้นเพื่อจะหุงหาอาหารกินกันเราได้เดินสำรวจไปตามซากหักพังของหมู่บ้านเพื่อว่าจะมีภาชนะสําหรับหุงต้มทิ้งอยู่บ้างแล้วหาไปจนทั่วก็ไม่พบอะไร จนเกือบๆจะล้มเลิกความพยายามอยู่แล้วเราก็มาถึงซาก ข, ของบ้านของช่างฟอกหนังเราทราบว่าเป็นบ้านของช่างฟอกหนังก็เพราะเห็นเครื่องและเศษหนังวางอยู่ทั่วไปตามปกติช่างฟอกหนังเป็นคนจันทานซึ่งเราอยู่ในวันณัพรามรังเกียจยิย่งนักแต่บังเอิญที่บ้านคนฟอกหนังนี่เองมีม้วใบหนึ่งวางอยู่เราต่างมองกันเลือกเลัก เราไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะตามหลักปฏิบัติในวรณพรามของเรานั้นสมบัติใดๆก็ตามของคนจันทผานเราจะแตกต้องไม่ได้ถ้าใครขืนแตกต้องคนนั้นจะมีมนตินติดตัวไปตลอดชาติและถ้าคนวณะเดียวกันรู้เรื่องเข้าเขาจะได้รับโทษหนักคือจะถูกขับออกจากวณาพราม ท, าทันทีหมายความว่าท่านไปถูกต้องมอกไปนั้นเข้าลสิ แล้วก็ถูกขับออกจากวณัณพราหม์ใช่ไหมละ่ะข้าพเจ้าถามดักคอเปล่าเลยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ได้แตะต้องอะไรเลยแต่ข้าพเจ้ากลับเป็นฝ่ายผิดและถูกขับออกจากวณะฐเอรู้สึกว่ามันจะสลับซับซ้อนอยู่เชิญท่านเล่าต่อไปเถิดในที่สุดคนหนึ่งในพวกของเราก็พูดขึ้นว่าสาเหตุทั้งหลายข้าพเจ้าทราบดีว่า การแตกต้องสิ่งของเครื่องใช้ของคนจันทันเป็นความเสียหายรายแดงสําหรับเราผู้อยู่ในวนณพรามณ์แต่บัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเรากําลังอยู่ในภาวะขับขันเรากําลังหิวโหวยจนแทบจะเป็นลมอยู่แล้วเรามีข้าสารอยู่บ้างแต่ไม่มีหม้อที่จะหุงต้มบังเอิญเราพบหม้อใบเดียวกันนี้ที่บ้านของคนฟอกหนังเราจะใช้หม้อหุงต้มใบนี้หุงข้าวกินกัน แต่เราจะต้องช่วยกันเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าแพร่พลายให้ใครทราบเป็นอันขาดถ้าคนอื่นทราบเข้าเราจะต้องถูกขับออกจากวันนะท่านทั้งหลายที่มีความคิดประการใดพ้นปรากฏว่าทุกทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของเขาและต่างก็รับรองว่าจะเก็บเรื่องนั้นไว้เป็นความลับจะไม่แพร่พลายให้ใครทราบเป็นอันขาดท่านสมณะข้าพเจ้าเองนั้น ได้รับการอบรมมาในขนบธรรมเนียมประเพณีพราหม์อย่างเคร่งครัดมารดาบิดาของข้าพเจ้าสอนให้รักษาความบริสุทธิ์ผุดพ่องของบรรณพรามณ์ไว้แม้ด้วยชีวิตฉะนั้นเมื่อได้รับการชักชวนให้กระทําทในสิ่งที่ผิดธรรมเนียมพราหมณ์ข้าพเจ้าจึงปฏิเสธไม่ยอมร่วมมือด้วยเพื่อนทั้งสิคนรู้สึกโกรธเคืองมากที่ข้าพเจ้าไม่ร่วมมือในการประกอบกรรมชั่วกับเขา แต่เขาก็ไม่บังคับให้ข้าพเจ้าทำแต่ประการใดซึ่งถ้าเขาจะทำก็อาจจะกระทำได้อย่างสบายเพราะฝ่ายเขามีจำนวนถึงสิบคนในขณะที่ข้าพเจ้าตัวคนเดียวแต่เขาก็บังคับให้ข้าพเจ้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่แพ่่พลายเรื่องนี้ให้ใครทราบเป็นอันขาดข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะช่วยสงเคราะห์เพื่อนบ้างจึงได้ตกลงให้คำมั่นสัญญาแก่เขาในที่สุดเพื่อนของข้าพเจ้า ก็นาเอาหม้อใบนั้นไปล้างที่บ่อน้ำขัดสีด้วยสายใบไม้และมูลโคขัดแล้วขัดอีกล้างแล้วล้างอีกประมาณร้อยเที่ยวเห็นจะได้เมื่อเชื่อแน่ว่าบริสุทธิ์สะอาดทั้งภายนอกและภายในดีแล้วเขาก็ใช้หม้อนั้นหุงข้าวกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญท่านสมณะข้าพเจ้าเองนั้นแม้จะรู้สึกหิวแสนหิวแต่ ไม่ยอมแต่ต้องข้าวจากหม้อนั้นเลยแม้แต่น้อยเพื่อนฝูงต่างพูดจาล้อเลียนข้าพเจ้าต่างๆนานาบ้างก็ออกปากชักจูนให้ข้าพเจ้ารับประทานบ้างก็เอาคำข้าวมาจอปากข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าต้องหลบไปเสียจากบริเวณที่เขากําลังนั่งรับประทานอาหารกันเพราะไม่สามารถจะทนต่อการล้อเลียนของเพื่อนได้และเพราะไม่สามารถจะดูการบริโภคพัดทหาร จากหม้อของคนฟอกหนังอันน่าขยะแขยงนั้นได้เท่าที่อาตมาฟังท่านเล่าเรื่องมาก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ฉะไหนท่านจึงเป็นผู้ถูกขับออกจากวัณะเล่าข้าพเจ้าถามขึ้นก็นั่นน่ะสิท่านสมณนะข้าพเจ้ากําลังจะเล่าสาเหตุให้ท่านฟังอยู่แล้วในที่สุดข้าพเจ้าทั้งหมดก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดีทุกคนต่างนิ่งเงียบ ไม่มีใครเอ่ยถึงการกระทําอนาบัตรสีเลยแต่ท่านผู้เจริญสําหรับข้าพเจ้านั้นแม้ตัวจะไม่ได้ร่วมประกอบกรรมอันชั่วช้ากับเขาแต่ก็รู้สึกเดือดร้อนกระโนกระไว้ใจยิ่งกว่าเขาพวกประกอบกรรมชั่วสิอีกเพราะข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าข้าพเจ้าได้กระทําความผิดร้ายแรงยิ่งกว่าสาหายทั้งสิบคนสิอีกเพราะข้าพเจ้า ได้เห็นเขากระทํากรรมชั่วช้าอันเป็นความผิดเสียหายร้ายแรงแล้วยังช่วยเขาปกปิดกรรมอันชั่วไว้อีกทําให้คนทั้งสิบคนลอยลวนวลอยู่ได้โดยไม่มีการลงโทษถ้าจะพูดตามหลักแล้วคนทั้งสิบนั้นได้ขาดจากการเป็นพราหมณ์แล้วเวลานี้แม้จะไม่มีใครรู้เรื่องเขาแต่เขาก็ได้เป็นตัวสนิทยันไหลไปเสียแล้วการที่เขายังร่วม อยู่ร่วมกินกับคนวรรณพราหม์ในบ้านก็เท่ากับนําเอาความสนิทสนลทมาเผยแพร่ให้แก่ชาวบ้านในที่สุดวรรณพราหมอันศักดิก์สิทธิ์ของหมู่บ้านก็จะเป็นมนทินไปหมดสิน้นยิ่งกว่านั้นเมื่อข้าพเจ้าถูกจับได้ภายหลังข้าพเจ้าก็จะถูกลงโทษอย่างหนักในฐานะที่ได้ปกปิดความชั่วของคนอื่นไว้ข้าพเจ้าคิดอย่างหนักในปัญหาเหล่านี้เป็นเวลาหลายวัน ท่านสมณะในที่สุดข้าพเจ้าก็ตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดให้คนรู้เพื่อจะได้กำจัดตัวสนิทจันไลไยทั้งสิบคนนั้นออกไปเสียให้พ้นจากหมู่บ้านข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ภรรยาฟังภรรยาของข้าพเจ้าตก อ, อกตกใจแทบจะเป็นลมเธอได้บอกข่าวนั้นให้แก่คนอื่นต่อต่อไปอีกข่าวนั้นได้แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้าน ประดุดไฟไม่ป่าต่อจากนั้นความโกลาหลอุลหมานก็เกิดขึ้นทั่วหมู่บ้านในที่สุดพราหมผู้เป็นหัวหน้าวันณนะในหมู่บ้านก็มีการเรียกประชุมพราหมณ์ผู้ใหญ่เพื่อสอบสวนเรื่องราวของเราเราทั้งสิอคนได้ถูกเรียกตัวไปย่งที่ประชุมเมื่อคนทั้งหมดประชุมกันพร้อมกันแล้วพราหมณ์ผู้เป็นประธานก็ถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องราวทั้งหมด ตามความเป็นจริงให้ฟังเสร็จแล้วพรามผู้เป็นประธานก็หันไปบอกสหายคนหนึ่งในบรรดาสิบคนนั้นให้เล่าเรื่องให้ฟังท่านผู้เจริญข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อหูตนเองว่าเรื่องที่เขาเล่านั้นออกมาจากปากของสหายร่วมเดินทางกับข้าพเจ้าเพราะเขากล่าวว่าข้าพเจ้าเองเป็นผู้นําหม้อนั้นไปหุงข้าวกินคนเดียวโดยที่เขาทั้งสิบคน ไม่ได้แตะต้องด้วยเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเขาบอกว่าข้าพเจ้าคงจะเกิดความเร่าร้อนใจเกรงว่าจะได้รับโทษจึงกล่าวร้ายไปสีเขาทั้งสิบคนสิก่อนเมื่อพรามผู้เป็นประธานถามคนอื่นๆอีกทุกคนก็ให้การตรงกันเหมือนกับนัดกันไว้ในที่สุดหลังจากพิจารณากันอยู่เป็นเวลานานประธานก็ตัดสินว่าข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิด แม้ข้าพเจ้าจะโต้เถียงอยลล่างไรก็หาสู้น้ำหนักพยานหลักฐานของคนทั้งสิบคนนั้นได้ไม่ผลสุดท้ายข้าพเจ้าก็ถูกด่าถูกประนามจากพราหมณ์ผู้เป็นประธานและคนวรนนาพราหมณ์ทุกคนในหมู่บ้านข้าพเจ้าถูกขับออกจากวรรณาพราหมณ์ถูกบุตรภรรยาไล่ออกจากบ้านมาเป็นเวลาหลายวันแล้วข้าพเจ้าต้องไปซุกหัวนอนต่างใต้ร่มไม้เวลาหิว ก็ไปขออาหารกินจากเด็กเลี้ยงโคท่านผู้เจริญโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านผู้มีอายุเมื่อได้ฟังเรื่องราวของปารากะจบลงแล้ว ข้าพเจ้าคนนึกสมเพศเวทนาเขาอยู่แต่ในใจแม้ว่าเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์จริงเขาก็ควรจะได้รับโทษอย่างนี้อย่างแน่แท้เพราะเขาถือเกร่งงมงายในสิ่งที่ไม่ควรเคร่งซ้ำอย่างปฏิสลายมิตรด้วยการเปิดเผยความลับของเพื่อนทั้งๆ ท, ท, ที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วอย่างไรก็ตามในไหนเขาก็ได้บาดหน้ามาขอความช่วยเหลือแล้วถ้าจะบอกปัดไปเสีย ก็ผิดวิสัยของผู้มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณาแต่ก่อนจะคิดหาทางช่วยเขาข้าพเจ้าก็อยากจะสั่งสอนเขาให้สมุดตัวสักก่อนดูก่อนอุบาสกเท่าที่ได้ฟังเรื่องราวของท่านมาตั้งแต่ต้นอัตมาก็อาจจะทราบได้ว่าท่านเป็นผู้เคร่งครัด ต, ต่อระเบียบแบบแผนของธรรมเนียมพราหมณ์ไม่น้อยท่านไม่ยอมร่วมรับประทานอาหาร จากหมอของคนจันทานกับเพื่อนทั้งสิบคนแม้ตัวเองเกหิวกะหายแทบตายก็ตามเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วท่านก็รู้สึกว่าตนมีความผิดที่ช่วยปกปิดความชั่วของเพื่อนไว้ในที่สุดท่านก็ละเมิดสัญญาเปิดเผยความผิดของเพื่อนจนตัวท่านเองต้องถูกขับออกจากวันณนะแน่นอนทีเดียวท่านสมณนะ ข้าเจ้าต้องเกรงครัดต่อธรรมเนียมของพราหมณ์เพราะว่าวันนะพราหมณ์เป็นวรนนะอันบริสุทธิ์สะอาดและสูงกว่าวรนนะอื่นๆในชมพูทวีปปลระกะกล่าวยืนยันด้วยความภาคภูมิใจในวรนนะของตนดูก่อนอุบาสกอาตมาเองยังมีความรู้สึกน้อยเกี่ยวกับเรื่องของวันณนะอาตมาอยากจะถามปัญหาบางอย่างกับท่านความเชื่อถือ ว่าวันะพราหม์เป็นวรนนะอันสูงส่งบริสุทธิ์และประเสริฐกว่าวรนนะอื่นๆนั้นใครเป็นคนบัญญัติขึ้นพราม์หนุ่มหัวเรออาะเยาะความไม่เดียงสาของข้าพเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านสมณะข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านคงจะไม่เคยอ่านคำภี์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ของเราในปุรุษะสูกตะแห่งพระเวทมีคำกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพระพรมสร้างโลกและมนุษย์นั้น วั น, นละพรามออกมาจากปากของพระองค์กษัสัตย์ออกมาจากแขนแพทย์ออกมาจากท้องและสูตรออกมาจากเท้าของพระองค์เพราะเหตุที่พราหมออกมาจากปากอันเป็นอวัยวะสูงสุดจึงเป็นวันละสูงสุดฉะนั้นวันละทั้งสี่จึงไม่มีใครเกิดคิดบัญญัติแต่งตั้งขึ้นแต่มีมาแล้วพร้อมกับการสร้างโลกทีเดียวดูก่อนอุบาสกถ้าอย่างนั้นวรรณะพราม ก็จัดว่าเป็นวรรณะอันสูงเพราะออกมาจากอวัยวะอันสูงของพระพรหมอย่างนั้นเลือกอย่างนั้นสิท่านสมณะปรารกะรับรองเอาละอันว่าปากของมนุษนั้นถ้าอยู่ในอิริยบทนั่งหรือยืนเพราะจะจัดได้ว่าอยู่สูงกว่าส่วนอื่นๆแต่ถ้าคนอยู่ในอิริยบทนอนเล่าอุบาศกท่านจะกล่าวได้ไหมว่าปากอยู่สูงกว่าส่วนอื่นๆ ยังกล่าวไม่ได้หรอกท่านสมณะปรากะกล่าวมองดูข้าพเจ้าอย่างงงๆแล้วท่านทราบไหมว่าในขณะที่คนทั้งสี่วันะออกมาจากส่วนต่างๆของพระพรมนั้นพระพรมท่านอยู่ในอิริยาบถไหนยืนนั่งหรือว่านอนท่านสมณะนีถามซอกแซกจริงๆปรักกะกล่าวอย่างหัวเสียข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้ ดูก่อนอุบาสกอัตมาเข้าใจว่าการที่คนทั้งสี่วันณนะจํานวนมากมายออกมาจากส่วนต่างๆของพระพรหมนั้นแสดงว่าพระพรหมท่านจะต้องมีรูปร่างใหญ่โตมากทีเดียวมิฉะนั้นคนทั้งมากมายก็จะคงอยู่ในตัวของท่านและออกมาจากตัวของท่านไม่ได้แน่นอนท่านสมณนะท่านต้องใหญ่โตที่สุดจึงจะสามารถสร้างโลกและมนุษย์ได้ ก็เมื่อท่านมีรูปร่างใหญ่โตเช่นนั้นถ้าท่านอยู่ในอิริยบทยืนขณะที่วณะต่างๆออกมาจากตัวของท่านท่านจะต้องสูงตรงานฟ้าทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้วณาพรามซึ่งออกมาจากปากของท่านก็ดีวนากษระสับซึ่งออกมาจากแขนของท่านก็ดีวณะแพทย์ซึ่งออกมาจากท้องของท่านก็ดีจะต้องพลัดตกลงมาตายหมดไม่มีเหลือหรอคงจะมีคนว น, นาสูตร ซึ่งออกมาจากเท้าของท่านเท่านั้นที่ยังเหลือรอดมาได้แต่ความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้คนวรรณาทั้งสี่ก็ยังคงมีอยู่บริบูรณ์ในชมพูทวีปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในขณะที่ให้กำเนิดแก่มนุษย์ทั้งสี่เหล่านั้นพระพรมท่านทรงเมตตาต่อมนุษย์ท่านจึงนอนราบลงกับพื้นแล้วก็ปล่อยให้คนทั้งสี่รรณะออกไปจากตัวท่านเมื่อเป็นเช่นนี้ ทั้งสี่เหล่าก็ชื่อว่ามีกำเนิดอยู่ในระดับเดียวกันไม่มีใครสูงกว่าใครท่านจะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรพระนุ่มปานกะนั่งนิ่งเป็นเชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านสมณะดิจังคิดซอกแซกหรือเกินข้าพเจ้าไม่ทราบดอกว่าความจริงแท้เป็นอย่างไรเพราะพระคัมพีรไม่ได้ให้รายละเอียดไว้แต่ถ้าจะว่ากันตามเหตุผล ตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นก็น่าจะเป็นอย่างที่ท่านว่านะแหละก็ถ้าอย่างนั้นท่านก็ยอมรับนะสิว่าคนทั้งสี่วันะมีกําเนิดเสมอกันไม่มีใครสูงกว่าใครข้าพเจ้าลุกไล่ทันทีแต่พราหมณก็ยังคงสูงกว่าวันะอื่นๆอยู่นั่นเองเพราะพราหมณได้รับเกียรติให้ออกจากทางปากซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะสําสคัญกว่าส่วนอื่นท่านรู้ได้อย่างไรว่า ปากสำคัญกว่าอวัยวะส่วนอื่นๆพระคัมภีร์กล่าวไว้เช่นนั้นเลือกข้าพเจ้าก็กล่าวด้วยสาวมันสํานึกเพราะเรากินอาหารด้วยปากถ้าคนลราไม่ได้กินอาหารชีวิตก็อยู่ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นเรายังใช้ปากสําหรับพูดจาปลาศัยต่อกันได้ด้วยอัตมาเห็นด้วยกับท่านว่าเรากินอาหารและพูดด้วยปากแต่ถ้าอัตมาจะตัดแขนของท่านออกเสีย ตัดขาของท่านออกเสียควานทองของท่านออกเสียท่านจะกินอาหารได้หรือไม่ท่านจะยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่พรามคงจะรู้สึกอึดอัดไม่น้อยที่ถูกข้าพเจ้าสากใสไล่เลียงเกือบจะจนมุมอยู่แล้วเขาก้มหน้ามองดูพื้นดินเอามือสีกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบด้วยเสียงอ่อยๆว่าก็คงจะอยู่ไม่ได้หรอกท่านผู้เจริญก็เมื่อปากเองอยู่โดยลําพังไม่ได้ จะต้องอาศาัยอวัยวะอื well. ่นๆด้วยเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอวัยวะทุกส่วนต้องอาศัยซึ่งกันไม่มีอะไรสำคัญกว่าอะไรมีฐานะเท่าเทียมกันหมดต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ของตนเพื่อให้ชีวิตร่างกายทั้งหมดดำรงอยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การที่ท่านกล่าวว่าปากสำคัญกว่าอวัยวะอื่นๆจึงเป็นกล่าวที่ผิดจากความจริงและการถือว่าพราหมณ์ เกิดจากปากของพระพรมจึงเป็นวันะสูงส่งกว่าวันณะอื่นๆก็จะเป็นการถือที่ผิดหรือท่านมีความเห็นอย่างไรปรากฏว่าปรารกะยังคงก้มหน้านิ่งด้วยจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าเมื่อเขานั่งนิ่งไม่ได้โต้ตอบข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอุบาสกเมื่อเรื่องราวที่เราได้สนทนากันมาท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าคนทั้งสีวันละ มีฐานะเสมอกันโดยกําเนิดเพราะเกิดในระดับเดียวกันจากพระพรหมองค์เดียวกันและจากอวัยวะต่างๆซึ่งมีความสําคัญพอๆกันแม้ในขณะที่ยังอยู่ในตัวของพระพรหมก็อยู่หนึ่งที่เดียวกันการที่คนทั้งสี่เราร่วมกันอยู่ร่วมกันอยู่ในสถานที่อันเดียวกันได้ก็แสดงว่าคนทั้งสีมีฐานะเท่าเทียมกัน ในสายตาของพระพุทธผู้เป็นเจ้าถ้ามีฐานะต่างๆกันพระองค์ก็คงจะไม่ให้รวมกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันแน่การที่คนวรรณพราหมณ์ถือว่าตนสูงส่งกว่าวันนัอื่นจึงเป็นการถือด้วยทิฏฐิมานะหือด้วยความหลงถือผิดจากหยุดประสงค์ดั้งเดิมของพระผู้เป็นเจ้าการที่วันนพราหมณ์ออกมาจากปากของพระพุทธยังไม่ใช่เหตุผล อันเพียงพอที่จะถือว่าวันนะอื่นๆเปรียบคนจำนวนหนึ่งมีฐานะเทียบเท่ากันรวมกันอยู่ในห้องห้องหนึ่งต่อมาเจ้าของบ้านได้เปิดประตูห้องทั้งสี่ด้านพร้อมกันเพื่อให้คนอยู่ข้างในออกคนบางพวกออกทางประตูหน้าเพราะขณะที่ประตูเปิดตนอยู่ใกล้ประตูหน้าบางพวกออกประตูข้างทั้งสองเพราะตนอยู่ใกล้ประตูข้าง บางพวกออกประตูหลังเมื่อออกมาหมดแล้วพวกที่ออกทางประตูหน้าก็ประกาศว่าพวกตนประเสริฐกว่าพวกอื่นเพราะเหตุผลเพียงข้อเดียวคือตนได้ออกทางประตูข้างหน้าอย่างนี้ย่อมไม่เป็นการยุติธรรมดูก่อนอุบาสกอัตามา ย, ยังมีข้ออื่นที่อยากจะถามท่านต่อไปว่าคือว่าถ้าสมมติว่าคนวรณะอื่นเช่นแพทย์หรือสูตร เกิดความเบื่อหน่ายในวนะของตนและเกิดความเลื่อมใสในวณะพราหมณ์อยากจะเป็นพราหมณ์กับเขาบ้างจึงมาขอสมัครเป็นพราหม์กับท่านอย่างนี้ท่านหรือคนในวรณะพราหม์อื่นๆจะยอมไหมยอมไม่ได้หรอกท่านผู้เจริญถ้ายอมได้ป่านนี้คนในวณะอื่นๆก็คงจะไม่มีในชมพูทวีปคงจะมีว น, นาพรามว์วนะเดียวเพราะไกลๆก็อยากเป็นวร น, นาพราหม์กันทั้งนั้น ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าการเป็นคนในวณนะใดวณะหนึ่งนั้นจะต้องด้วยการสมัครไม่ได้จะเป็นด้วยพิธีกรรมใดๆก็ไม่ได้อาตมาอยากจะทราบว่ามีวิธีอื่นใดอีกบ้างที่จะทำให้คนวรณะสูตรกลายเป็นคนวรณะพราหมณ์ได้ไม่มีวิธีใดเลยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นมีวิธีเดียวเท่านั้นคือตายแล้วเกิดใหม่ในวรณะพราหมณ์เท่านั้น ว่าแล้วปากะก็หเราะอย่างพอใจหมายความว่าการเป็นวันณะพรามนี้จะต้องมาแต่กำเนิดเป็นมาโดยการสืบสายเลือดใครเกิดวันณะใดก็ต้องเป็นวันะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วท่านปูเจริญความเป็นพรามนี้เป็นภาวะอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดมีขึ้นตั้งแต่วาระแรกที่บัมพบุตของเราออกมาจากปากของพระพรมนั่นทีเดียว ตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมาใครๆก็ตามที่เกิดในวันพะพราหมณ์ก็ต้องเป็นพราหม์ตามไปด้วยอุบาสกพระอัตมาจะพูดว่าพระผู้ผู้เป็นเจ้ามีความประสงค์จะให้วันพะพราหมณ์เป็นพราหม์ตลอดไปจะถูกหรือไม่ถูกต้องทีเดียวท่านผู้เจริญพระองค์ต้องการจะให้พราหมณ์เป็นตัวแทนของพระองค์เป็นผู้กระทํากิจของพระองค์ในโลกมนุษย์ เมื่อความเป็นพรามณ์เป็นภาวะอันศักดิ์สิทธิ์สืบเนื่องมาจากพระพรหมและเป็นความประสงค์ของพระองค์ที่จะให้พราหม์เป็นพราหม์ตลอดไปเช่นนี้ก็ไม่มีสิ่งใดหรือบุคคลใดในโลกจะมาทําให้ท่านเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้แม้แต่พราหม์ผู้เป็นหัวหน้าในหมู่บ้านของท่านก็ไม่สามารถจะทําให้ท่านสูญเสียความเป็นพราหมณ์ไปได้ถ้าไกลเขินทําให้ท่านไม่เป็นพราหมณ์ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่า ฝ่าฝืนความประสงค์ของพระพรมผู้เป็นเจ้าท่านผู้มีอายุเมื่อปรารักะได้ฟังเหตุผลของข้าพเจ้าตอนนี้เขาก็แสดงอาการตื่นเต้นดีใจออกมาอย่างชัดเจนเขายิ้มด้วยความหวังและพูดขึ้นว่าจริงอย่างที่ท่านว่าแหละสมณะจริงทีเดียวข้าพเจ้าก็ลืมข้อนี้ไปแต่แล้วใบหน้าของเขาก็ผันสลดลงไปอีกพร้อมกับกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้า ได้ประพฤติฝ่าฝืนขนบธรรมเนียมพราหมณ์เช่นไปร่วมบริโภคพัดกับคนจันทานั่นเล่าท่านผู้เจริญท่านก็ยอมรับได้ว่าการเป็นพราหมณ์เป็นภาวะอันศักดิ์สิทธิ์จากพระพรมโดยตรงไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงได้เปรียบเหมือนทองคำเนื้อบริสุทธิ์แม้จะตกลงไปอยู่ในโคลนก็ยังคงเป็นทองคำอยู่นั่นเองหาได้กลายเป็นเหล็กเป็นทองแดงไปได้ไม่ทองคานั้น อาจจะมัวมองไปบ้างแต่เมื่อชำระล้างขัดสีเส้นิดหน่อยแล้วก็จะฉายแสงสุกเปล่งดังเดิมท่านก็เหมือนกันเมื่อไปร่วมอุปโภคบริโภคกับคนจันทานความเป็นพราหมณ์ของท่านอาจจะมัวหมองไปบ้างแต่เมื่อกระทําพิธีชำระเสียแล้วท่านก็จะกลับเป็นพราหม์ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องดังเดิม ผู้เจริญพราหมหนุ่มประกะกล่าวด้วยเสียงแจ่มใสขึ้นเหตุผลของท่านแยบขายเหลือเกินพราหมณทุกคนคิดอย่างท่านเข้าใจอย่างท่านความยุ่งยากทั้งหลายก็คงจะไม่มีการลังเกียร์เจียดหยามระหว่างวันณะก็คงจะไม่มีจะทําอย่างไรหนอจึงจะสามารถแก้ความเข้าใจผิดด้วยอํานาจของความโง่เขลาของพราหมณ์เหล่านั้นได้เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของข้าพเจ้านั้น ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้ามีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แต่เพราะซื่อเกินไปและเพราะความโง่เขลาของตัวข้าพเจ้าเองจึงถูกพรามทั้งหลายซึ่งเป็นสหายทั้งสิบคนปรักตําใส่ความจนกระทั่งกลายเป็นผู้ผิดไปท่านอย่างไรหนอะข้าพเจ้าจึงจะสามารถทําให้พรามณ์ผู้ใหญ่ทั้งหลายในหมู่บ้านเชื่อได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ผู้มีอายุข้าพเจ้าเกิดความคิดขึ้นมาลางๆว่าจะช่วยพราหมน์นุมปรากะได้อย่างไรข้าพเจ้าบอกนโยบายแก่เขาว่าอุบาสกอัตมาพอจะแนะนำวิธีให้ได้ขอให้ลองปฏิบัติอย่างนี้ดูในคืนสงัดเงียบคืนหนึง่งเมื่อชาวบ้านหลับนอนกันหมดแล้วขอให้ท่านเข้าไปพบภรรยาของท่านวิงวอนขอความเห็นใจสบัสบานกับเธอว่า ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์จริงแล้วขอร้องให้เธอไปพบกับพราหมณ์หัวหน้าวันณนะให้เธอชี้แจงให้ท่านทราบว่าพราหมณ์ทั้งสิบคนประกอบกรรมชั่วจริงๆส่วนท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ขอให้ท่านรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาสอบสวนกันใหม่บอกให้ภริยาชี้แจงแก่หัวหน้าพราหมณ์ว่าคนทั้งสิบคนนั้นเป็นฝ่ายผิดแน่ๆเมื่อเขาเป็นฝ่ายผิดเขาก็เป็นตัวเสียดจำไร ใครจะรู้หรือไม่ก็ตามเมื่อเขายัางคลุกคลีกับพรามอื่นๆในหมู่บ้านก็เท่ากับนำเอาเสน่ห์จันไหลเผยแพร่ทั่วไปแก่ชาวบ้านในที่สุดคนทั้งหมู่บ้านก็จะมีมนทินทั่วกันหมดฉะนั้นขอให้ชำระคดีนี้เสียใหม่ก่อนที่จะสายเกินไปถ้าภรรยาของท่านไปชี้แจงครั้งแรกไม่สำเร็จก็ขอให้ไปหลายๆครั้งเพราะเมื่อหัวหน้าพราม ได้ยินบ่อยๆเข้าก็าจะเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าอาจจะเป็นความจริงแล้วก็จะเกิดความระแวงสงสัยในพราหม์ทั้งสิบคนเมื่อเกิดความสงสัยเกาะจับกินหัวใจแล้วเขาก็จะต้องหาทางพิสูจน์สอบสวนจนได้เพราะไม่มีใครที่จะทนให้ความสงสัยเกาะใจอยู่ได้เป็นเวลานา น, านๆเมื่อพราม์หัวหน้าตัดสินใจจะมีการสอบสวนเรื่องใหม่และเรียกประชุมพราหม์ผู้ใหญ่ ในหมู่บ้านพร้อมทั้งคู่พราหมณ์พร้อมแล้วขอให้ตั้งคณะพราหมณ์เป็นกรรมการขึ้นสอบสวนคณะหนึ่งขอให้คณะกรรมการนั้นเรียกพราหมณ์ทั้งสิบคนเข้าไปให้ปากคําเป็นการรับทีละคนขอให้คณะกรรมการถามให้ละเอียดว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นท่านไปพบหม้อที่ไหนหม้อใบใหญ่เล็กขนาดไหนทําด้วยอะไรท่านหุงรับประทานอย่างไร ที่ไหนเป็นต้นก่อนจะเรียกไปสอบสวนต้องคุมพราหมณ์ทั้งสิบคนนั้นไว้คนละที่อย่าให้ก็มีโอกาสได้ปรึกษาตกลงกันเป็นอันขาดแม้หลังจากการสอบสวนพราหม์คนใดคนหนึ่งแล้วก็อย่าปล่อยให้เขาไปพบกับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สอบสวนให้กันไปไว้ณที่หนึ่งตั้งหากถ้าทําได้ดังนี้พราหม์ทั้งสิบคนนั้นจะให้การตรงกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเขาให้การไม่ตรงกันคณะกรรมการก็จะจับได้เองว่าเขาผูกเรื่องขึ้นเพื่อให้ร้ายป้ายสีแก่ท่านเมื่อคณะกรรมการจับได้แล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายผิดและจะถูกลงโทษโดยการถูกขับออกจากวรณพราหมณ์อย่างที่ท่านเป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้ท่านลองทาตามนโยบายนี้ดูพรมหมุ่มปักะก้มลงกราบข้าพเจ้าแทบเท้า แล้วกล่าวออกมาด้วยความดีใจว่าท่านผู้เจริญความคิดของท่านแยบขายดีจริงๆทําไมนะข้าพเจ้าจึงไม่คิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่มีการสอบสวนเรื่องนี้เป็นครั้งแรกถ้าข้าพเจ้าได้ความคิดนี้ป่านนี้ข้าพเจ้าก็คงจะอยู่เป็นสุขสบายกับปุตพัรนยาข้าพเจ้าจะไปบัตตามคําแนะนําของท่านตั้งแต่คืนวันนี้ที่เดียวข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าท่านผู้มีอายุปละละหายไปเป็นเวลาสามวันแล้วก็กลับมารายงานข้าพเจ้าว่าท่านผู้เจริญแผนการของท่านเกือบจะสำเร็จแล้วข้าพเจ้าแอบไปพบภรรยาตั้งแต่คืนวันนั้นเธอตกใจมากเมื่อได้พบกับข้าพเจ้าอีกหลังจากวิงวอนขอความเห็นใจอยู่นานเธอรับปากว่าจะไปชี้แจงกับหัวหน้าพราหมณ์ให้ คืนวันต่อมาข้าพเจ้าไปถามเธอว่าได้ผลประการใดเธอบอกว่าหัวหน้าพราหมณ์เห็นใจข้าพเจ้าและเชื่อว่าข้าพเจ้าบริสุทธิ์จริงแต่เรื่องมันแล้วไปแล้วไม่อยากลื้อฟื้นขึ้นมาให้เกิดความยุ่งยากอีกแม้จะรื้ฟื้นขึ้นมาก็ไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าจะชนะเพราะคนคนเดียวจะไปสู้กับคนสิบคนได้อย่างไรแต่เมื่อภรรยาของข้าพเจ้าในวิธีสอบสวนเป็นรายคนไป ทั้งก็เห็นด้วยและรับว่าจะลองปรึกษากับบรรดาพราหมณ์ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านดูคืนที่แล้วมาข้าพเจ้าไปถามภรรยาอีกเธอบอกว่าพราหมณ์ทั้งหลายตกลงจะให้มีการสอบสวนใหม่และกําหนดจะมีการประชุมกันในบ่ายวันนี้ผลการสอบสวนเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะกลับมารายงานให้ท่านทราบอีกในรายละเอียดว่าแล้วเขาก็อำลาจากไปด้วยท่าทางกระปี้กระเป๋า ท่านผู้มีอายุในเย็นวันนั้นเองปลากะก็กลับออกมาพบข้าพเจ้าอีกคราวนี้ไม่มาคนเดียวแต่มีภรรยาของเขาและพราหมณ์แก่คนหนึ่งตามมาด้วยท่าทางเขายิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขอย่างยิ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาคงชนะความมาแล้วเป็นแน่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะแล้วเขารายงานอย่างวิงโรดใจข้าพเจ้าพาภรรยามากราบขอบคุณท่านด้วยส่วนท่านผู้นี้ก็คือหัวหน้าพราหมณ์ผู้เป็นประธานวันณะในหมู่บ้านของเราข้าพเจ้าเล่าเรื่องราวของท่านให้ท่านฟังท่านก็เลยเกิดความสนใจ ขอติดตามมาสนทนากับท่านด้วยอาตมายินดีที่ได้ทราบว่าท่านชนะความและยินดีที่ได้พบกับท่านผู้เป็นประธานวันนะ้พรามแก่ยกมือไหว้ข้าพเจ้าและพูดขึ้นว่าวิธีการสอบสวนที่ท่านแนะนําไปนั้นเป็นวิธีการที่ฉลาดมากแม้แตเราก็ยังคิดไม่ถึงถ้าไม่ได้อาศัยท่านป่านี้ปารากะก็คงจะต้องรับชตากรรมโดยไม่ยุติธรรม นับวท่านได้ช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์และได้ช่วยสถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในบู่บ้านของเราโดยแท้ดูก่อนอุบาสกในการพิจารณาตัดสินความใดๆนั้นจะใช้เสียงข้างมากอย่างเดียวเป็นเกณฑ์ในการตัดสินหาได้ไม่เพราะเสียงข้างมากอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้ดังเรื่องที่ประจักษ์อยู่นี้ควรจะใช้เหตุผล สิ่งแวดล้อมประกอบหลายๆอย่างควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบและใช้เวลานา น, านพอสมควรเอาละเรื่องก็ผ่านไปแล้วอาตมาดีใจที่ได้ช่วยให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในหมู่บ้านของท่านแต่อาตมาอยากจะทราบชะตา ก, กรรมของพรามทั้งสิบคนนั้นว่าท่านได้จัดการไปประการใดท่านสมณะข้าพเจ้าและพรามอวุโสทั้งหลายได้ตัดสินใจให้ขับออกจากวัณณนะ ไปเรียบร้อยแล้วละ่ะพราหมณ์แก่ตอบท่านเชื่อแน่แล้วหรือว่าการตัดสินใจของท่านประกอบไปด้วยความยุติธรรมคําถามของข้าพเจ้าทําให้พราหมณ์ผู้เป็นประธานถึงกับสะดุ้งทีเดียวแต่แน้าเขาก็ตอบว่าเออข้าพเจ้าก็เข้าใจว่ายุติธรรมดีแล้วเพราะเขามีโทษถึงสองกระทงกระทงแรกเขาได้กระทําผิดธรรมเนียมพราหมณ์อย่างร้ายแรง โดยการบริโภคพัดจากหม้อของคนจันทานประการที่สองเมื่อตนกระทำความผิดแล้วยังปรับปรามผู้บริสุทธิ์โดยอาศัยเสียงข้างมากของตนเป็นเครื่องมือจนกระทั่งพราหมอวุโสหลงเชื่อและได้ลงโทษปัดกะผู้บริสุทธิ์ไปข้าพเจ้าคิดว่าเขามีความผิดหนักสมควรจะได้รับการขับออกจากวัณณะเลยทีเดียวแหละดูก่อนอุบาสกเมื่อพราหมทั้งสิบคน ถูกขับออกจากวั น, นะไปแล้วเช่นนั้นความเป็นพราหมณ์ของเขายังจะมีอยู่หรือไม่ อ, อ๋อไม่มีซิท่านผู้เจริญเพราะเขาถูกขับออกไปจากวั น, นะพราหมณ์ขาดจากความเป็นพราหมณ์แล้วอย่างสิ้นเชิงเวลานี้เขามีฐานะเทียบเท่ากับคนจันทานที่ไร้วั น, นะเท่านั้นเองดูก่อนอุบาสกรู้สึกว่าในเรื่องเกี่ยวกับวันะนีน้ท่านและพราหมณผู้อาวุโสทั้งหลายในหมู่บ้าน มีอำนาจมากพอดูหมายความว่าท่านมีอำนาจที่จะให้พรามกลายเป็นคนจันทารได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วท่านสมณะพรามแก่ตอบจ้องดูข้าพเจ้าขม็ง้งก็เมื่อท่านมีอำนาจที่จะทำให้พรามกลายเป็นจันทารได้อัตมาก็เชื่อ ว, ว่าท่านคงมีอำนาจที่จะแต่งตั้งจันทานให้เป็นพรามได้เช่นเดียวกันเออไม่ได้หรอกท่านสมณะไม่ได้ เขารียบปฏิเสธอย่างแข่งขันข้าพเจ้าไม่มีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นได้หรอกและก็ไม่มีใครที่จะมีอำนาจเช่นนั้นนอกจากพระพรมผู้เป็นเจ้าองค์เดียวการเป็นพราหมณ์ไม่ใช่จะเป็นได้ง่ายๆไม่ว่าใครจะอยากสมัครเป็นพราหมณ์ก็เป็นได้ต้องเกิดในสกุลพราหมณ์มาดาบิดามีวั น, นะเป็นพราหมณ์อันบริสุทธิ์ตลอดเจ็ดชั่วบุรุษจึงจะได้เป็นพราหมณ์ได้ ถ้าอย่างนั้นการเป็นพราหมณ์ก็เป็นพรอวิเศษที่พระพรมผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่ผู้เกิดในวรณะพราหมณ์โดยเฉพาะเป็นพรสวรรค์ที่พราหมณทุกคนมีสิทธิ์ได้มาแต่กําเนิดใช่ไหมเออถูกแล้วลท่านสมณะเป็นพรสวรรค์ที่ได้มาโดยกําเนิดเมื่อความเป็นพราหมณ์เป็นพรสวรรค์ที่พระพรมประธานให้แก่ผู้เกิดในวรณะพราหมณ์โดยตรงเช่นนี้ความเป็นพราหมณ์ ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีมนุษย์คนใดลบล้างได้ละสิถ้าใครบังอาจไปลบล้างพรสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติฝ่าฝืนความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าละสิปรากฏว่าพรามณ์แก่ไม่ได้ตอบได้แต่ ก, ก้มหน้าคิดอยู่ด้วยอาการกระสับกระส่ายลองคิดดูให้ดีเถิดอุบาสกเรื่องของวันณนะเป็นเรื่องของเทพเจ้า ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ข้าพเจ้าถือโอกาสพูดต่อไปเมื่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างพราหมณ์ขึ้นมาก็ต้องให้พระผู้เป็นเจ้าท่านเป็นผู้ถอดมนุษย์ไม่ควรบังอาจไปก้าวไกลอำนาจหรือความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ตั้งพราหมณ์ขึ้นมาแล้วมนุษย์จะไปถอดถอนของพระองค์นั้นอันตมาเห็นว่าทำไม่ถูกแต่ถ้าเป็นเรื่องของมนุษย์แล้ว มนุษย์ถอดพราหม์ได้ก็ควรจะตั้งพราหมณ์ได้เช่นเดียวกันอันตมาอยากจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าการตั้งพราหมณ์เป็นเรื่องของเทพเจ้าหรือเรื่องของมนุษย์ก็เป็นเรื่องของเทพเจ้าพราหม์ชลาตอบด้วยเสียงอ่อยๆถ้าอย่างนั้นท่านเป็นเพียงมนุษย์อย่าไปบังอาจถอดความเป็นพราหม์อันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าอ้าวแต่เขาได้ทําผิดธรรมเนียมของพราหมณ์นี่ท่านผู้จเจริญ พรามเจลาอยังไม่ยอมแพ้เมื่อความเป็นพรามณ์เป็นพระบัญญัติของเทพเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาทําให้ความเป็นพราหมณ์ของเขาสิ้นสุดลงได้การกระทําผิดธรรมเนียมพรามอาจจะทําให้ความเป็นพราหมณ์มัวหมองไปบ้างแต่ถ้าเราให้เขาปฏิบัติวัดตามระเบียบชําระตนให้บริสุทธิ์แล้วเขาก็กลับเป็นพราหม์ที่บริสุทธิ์สะอาดตามเดิมเปรียบเหมือนทองคําที่บริสุทธิ์ ตกลงไปในโคลนเมื่อนำมาล้างแล้วก็สุขใสตามเดิมฉะนั้นท่านผู้มีอายุเมื่อข้าพเจ้าพูดมาถึงตอนนี้พราหมณ์แก่ก็เกิดดวงปัญญาเขากล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญความคิดเห็นของท่านมีเหตุผลน่าฟังมากทีเดียวข้าพเจ้าเห็นด้วยและจะนำไปปรึกษาแก่พราหมณ์อาวุโสทั้งหลายดูถ้าทุกคนเห็นด้วยเราก็จะได้อภัยให้แก่พราหมณ์ทั้งสิบคน เย็นวันลุ่มขึ้นปลรากะก็กลับมารายงานให้ข้าพเจ้าฟังว่าที่ประชุมของพราหมณ์อวุโสเห็นด้วยกับความคิดของข้าพเจ้าและได้ให้อภัยแก่พราหมณ์ทั้งสิบคนแล้ว ผู้มีอายุหลังจากการพักพรออยู่ที่หมู่บ้านมาระวะคามและได้เทศนาสั่งสอนให้บรรดาพราหมณ์ในหมู่บ้านนั้นบรรเทาทิฐิมานะในความเป็นพราหมของตนลงบ้างแล้วข้าพเจ้าก็ออกเดินทางต่อไปแต่คราวนี้ได้มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเพราะข้าพเจ้าได้เดินทางไปทางทิศตวัตนตกไกลพอสมควรแล้วถ้าจะเดินทางต่อไปอีกจะห่างไกล จากกรุงราชกฤห์เกินไปท่านคงจะยังไม่ลืมว่าข้าพเจ้าได้ให้คํามั่นสัญญาแก่เทวมิตรอุบาสกไว้ว่าจะอยู่ในบริเวณรอบนอกกรุงราชกฤห์เมื่อเลือกที่อันเหมาะสมตั้งหลักลงได้แล้วจะต้องแจ้งข่าวให้เทวมิตรอุบาสกทราบแม้กระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังเลือกที่ที่เหมาะสมไม่ได้จึงตั้งใจจะเดินทางต่อไปทางทิศเหนือ เมื่อไปเป็นระยะพอสมควรแล้วจึงจะวกไปทางทิศตะวันออกทั้งนี้ก็เพื่อให้ตนเองได้วนเวียนอยู่แถวใกล้ๆ ก, กับพระนครราชคฤึ่งนั่นเองท่านผู้มีอายุขึ้นวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าพักอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้เข้าที่ทำสมาธิจนจิตก้าวเข้าลงสู่ความสงบแล้วได้เกิดนิมิต ป, ประหลาดอย่างหนึ่งขึ้นมาในดวงจิต กล่าวคือข้าพเจ้าได้เห็นพระเวรุวนารามและพระนกรราชจฤกรืกำลังถูกไฟไหม้เปลวไฟลุกโชนช่วงขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสูงกว่าภูเขาทั้งห้าที่แวดล้อมกลุ่งราชจักริอยู่นั้นสิอีกข้าพเจ้ารีบออกจากสมาธิด้วยจิตใจที่กรนกระวายเกรงว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นแก่พระเวรุวนารามและกลุ่ราชกรแต่ข้าพเจ้าก็ พยายามปลอบใจตัวเองว่าอันนิมิต ท, ที่ปรากฏในสมาธิจิตของเรานั้นเป็นเพียงภาพมายาหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ทั้งหลายมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานจึงสอนให้เหมือนเฉยต่อ น, นิมิตเหล่านั้นเสียอย่าเอาใจใส่อย่าลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในนิมิตเหล่านั้นถ้าใครหลงมัวเมาอยู่กับนิมิต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 วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากําลังนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นเสตียใหญ่ข้างทางเดินได้มีชายคนหนึ่งได้แวะเข้ามาพักผ่อนด้วยแล้วเราก็ได้สนทนาปราศัยกันตามประษาผู้เดินทางมาพบกันเขาเป็นชายหนุ่มอายุราวสามสปีท่าทางบึกบึนแข็งแรงแต่ใบหน้ามีแววแห่งความหมุนหมองข้าพเจ้ชาชื่อเทวะปิยะมาจากแคว้น กะลิงคะทางภาคใต้ของจุบูทวีปเขากล่าวแนะนำตนเองพอได้ยินคำว่ากะลิงคะข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่าเขาเดินทางมาไกลไม่ใช่น้อยเมื่อทราบว่าเขาเดินทางมาไกลความสนใจในตัวเขาก็เกิดขึ้นเพราะแสดงว่าคนที่มีธุระส ำ, สำคัญอันยิ่งยวดเท่านั้นจึงจะจากบ้านของตนมาไกลเช่นนี้ ท่านจะไปไหนด้วยธุระอะไรหรืออุบาสกจึงได้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาไกลถึงป่านนี้ข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจข้าพเจ้าตั้งใจจะไปยังนครราชครื้ท่านผู้เจริญจากราชครืข้าพเจ้าตั้งใจจะเดินทางกลับบ้านเพราะได้จากบ้านมานานร่วมปีแล้วคิดถึงบุตรภรรยาเต็มทีป่านนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นตายร้ยดีประการใด ราชครึเป็นแหล่งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะต้องไปเรื่องของข้าพเจ้ายาวมากแต่ถ้าท่านใคร่จะฟังข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ฟังเล่าไปเถิดอุบาสกอาตมากำลังตั้งใจคอยอยู่ทีเดียวเทวปิยะเทน้ำจากกระบอกไม้ออกดื่มและลูปหน้ารูปศีรษะแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องราวของตนท่านผู้เจริญข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรสองคน และภรรยาอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งห่างจากนครกลิงคะประมาณกึ่งโยธครอบครัวของข้าพเจ้ายากจนมากข้าพเจ้าได้เช่านาของครืหบดีคนหนึ่งทำเลี้ยงชีพและในระยะ30สปีที่ผ่านมานี้เทพเจ้าเบื้องบนไม่กรุณาสงสารข้าพเจ้าเลยอานาบริเวณบ้านเราเกิดฝนแล้งไม่ได้ทำนาติดต่อกันมาหลายปีเมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกภิกษภัยก็เกิดขึ้นประชาชนประสบความอดอยากต้องหาเผือกหามันและหากรอยกินแทนข้าวต้องทำงานหนักหาเงินมาซื้อข้าวบริโภคและเสียค่านาให้แก่เจ้าของนาอะไรกันอุบาสกแม้ไม่ได้ทำนาท่านก็ต้องเสียค่าเช้านาด้วยหรือต้องเสียสิท่านผู้เจริญเพราะเราเช่านาเขาทำเป็นหลายปีในตอนต้นๆ้นปี มีฝนตกลงมาบ้างเราได้ทำนากันบ้างแต่แล้วฝนก็หายไปน้ำที่มีอยู่บ้างก็แห้งหายไปข้าวกลา้าที่ลงไปก็เหี่ยวแห้งตายหมดการเป็นดบนี้มาสามปีแล้วเจ้าของนาเขาถือว่าเราได้ทานาของเขาแล้วเขาก็เรียกร้องเอาค่าเช่าแม้เราจะวิงวอนขอความเมตตากรุณาผ่อนผันอย่างไรเขาก็ไม่ฟังเสียงอ้รู้สึกว่า เจ้าของนานี้เยี่ยมโหดทารุณมากนั่นยังไม่ทารุณดอกท่านสมณะแม้เราจะต้องเสียค่าเช่านาเราก็ยังนขนวายหามาเสียได้ถ้าเสียให้ไม่ทันก็ขอผัดผ่อนเขาก็ยังยินยอมแต่ยังมีภาษีอีกอันหนึ่งที่ทารุณยิ่งกว่านั้นมากซึ่งเราจะต้องเสียทุกปีเหมือนกันภาษีอะไรเล่าข้าพเจ้าถาม กภาษีที่เราจะต้องเสียให้แกมหาคุรุผู้เป็นใหญ่ในาศาสนาของเรามหาคุุอะไรหรืออุบาสกอตาตมาไม่เคยได้ยินเชิญท่านเราต่อไปทางแถบเหนือนี้อาจจะไม่มีมหาคุรุท่านจึงไม่รู้เรื่องในดินแดนของเราทางโน้นมีมหาคุรุเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนืออานามบริเวณต่างๆท่านเป็นนักบวชสถิตอยู่ในนครของท่านที่เรียกว่าปุญญะ สัาระท่านประทับนั่งอยู่บนอาสนะรูปสิงเรียกว่าสิงหาสนะท่านเป็นบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์มีวาจาสิทธิ์อาจจะทําให้ใครเป็นหรือตายก็ได้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรหรือข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจคนทั่วไปย่อมเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์ท่านอาจจะสาดแช่งให้ใครกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือกลายเป็นหินไปก็ได้ มีบางคนทำให้ท่านขัดเคือใจและถูกท่านสาปให้ตายภายในสามวันบางคนก็ไม่ถึงกับทำให้ตายเพียงแต่ทำให้ประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นไฟไหม้บ้านประสุสัตว์ตายทรัพย์เสียหายเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนจึงหวาดกลัวมหาครูมากไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนคาสั่งหรือทำให้ท่านเกิดความไม่พอใจท่านเรียกร้องต้องการสิ่งใด จะต้องขวนขวายหาให้ท่านจนได้ต้องกันข้ามถ้าท่านอํานวยพรให้ใครแล้วผู้นั้นจะประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตท่านผู้เจริญแม้แต่ร่างกายของท่านมหากรุและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายของท่านก็ดีที่ออกมาจากกายของท่านก็ดีคนจะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเมื่อหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าเองก็ยังเคยไปนมัสการท่าน ข้าพเจ้าต้องทำอภิวาทท่านด้วยอัศดางข้าพระดิศคือนอนคว่ำหน้าราบลงไปบนพื้นให้อวัยวะแปดแห่งถึงพื้นเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นนั่งเอาภาชนะน้ำไปล้างที่เท้าของท่านแล้วลองเอาน้ำนั้นมาปรับพรมที่ศรีษรษะของตนเองและรับประทานส่วนที่เหลือหลังจากนั้นก็เชื่อว่าตนจะอยู่เย็นเป็นสุขประสบแต่โชคลาภมีบางคน ถึงกับยื้อแย่งกันรองเอาปัสสาวะของมาหาคุรุเอาไปอาบกินแม้แต่เศษอาหารและน้ําล้างมือของท่านก็ไม่มีการทิ้งผู้เลื่อมใสศรัทธาจะนําไปกินไปประพรมศีรษะด้วยความเคารพบูชาก็เมื่อท่านได้ดื่มน้ําล้างเท้าของมาหาคุรุและได้รับผ่อนจากท่านแล้วแค่ไหนท่านจึงได้ประสบทุกเล่าทําไมท่านไม่เจริญก้าวหน้าในชีวิตเล่า เออเรื่องมันมีท่านผู้เจริญเข้าไปเจ้าจะเล่าต่อไปตามปกติเราก็เป็นสาวกของมหาครุและต้องเสียภาษีที่เรียกว่าทักษินาหรือปาท ก, กากริคให้แก่มหาครุเป็นประจำทุกปีพอสิ้นปีก็จะมีเจ้าหน้าที่จากปุญญาสตาระของท่านมหาครุออกไปเที่ยวเก็บภาษี จากสาวกถึงบ้านถ้าสาวกผู้ใดไม่สามารถจะเสียภาษีได้เจ้าหน้าที่ก็จะเลื่อนเวลาให้อีกหนึ่งปีแต่ในปีที่สองจะต้องเสียภาษีถึงสองเท่าถ้ายังไม่มีเงินที่จะเสียในปีที่สองได้เขาจะเลื่อนให้ไปเสียในปีที่สามแต่ก็จะต้องเสียถึงสามเท่าเมื่อครบสามปีแล้วมหากรุจะออกเยี่ยมประชาชนด้วยขบวนอันมโหฬาร องค์มหากรุ๊เองจะนั่งภายในกุปซึ่งประดิษฐานอยู่บนหลังช้างอันประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรรการตาข้างหน้าและข้างหลังของช้างจะมีขบวนม้าเกียรติยศขับขี่โดยองครักษ์ที่แต่งตัวอย่างสวยงามสองข้างของช้างทรงก็จะมีเจ้าหน้าที่ถืออาวุธจำนวนหนึ่งเดินขนาบข้างทัดจากขบวนม้าไปข้างหน้าเป็นขบวนนักดนตรี ซึ่งดิสีตีเป่าเพลงต่างๆเป็นที่เอกระเกลิกข้างหน้านักดนตรีจะเป็นขบวนของคนถือธงหลากสีและขบวนของคนถือธงเหล่านั้นจะร้องเพลงสรรเสริญเกียรติคุณของมหากรุเป็นระยะระยะข้างหน้าขบวนคนร้องเพลงจะมีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งคอยไล่ให้ฝูงชนหลีกทางให้ขบวนและเตือนให้ทุกคนทาความเคารพต่อมหากรุสองข้างทาง ฝูงชนจะจุดธูปเทียนและนำดอกไม้ของหอมมาตั้งบูชาแก่มหาคุรุบางที่มีคนศรัทธาแก่กล้าเอาผ้าใหม่ของตนมาปูราดบนถนนสำหรับให้ช้างทรงของมหาคุรุเยยบแล้วก็ถือว่าผ้านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคลาภมาให้แก่ตนตามทางที่มหาคุรุผ่านประชาชนจะทำซุ้มด้วยกิ่งไม้ใบไม้ และประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม